บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปองค์ธรรมที่จำเป็นในการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานในสูตรที่ทรงแสดงไว้และได้กราบมาในบรรกรณตอนหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของความเพียรชนิดที่เป็นไปแรงกล้าซึ่งทรงใช้คาว่า พร้กิเลสให้ร่าร้อนสำปะชานโนคือความรู้ทั่วพร้อมได้แก่ลักษณะของปัญญาหรือสำปะชัญญะที่บุคคลผู้ปฏิบัติจะต้องเริ่มมาจากการปรับแนวความคิดปรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนให้มีลักษณะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสงบและความรู้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือให้เป็นปัจจัย สนับสนุนสติกัสัมปชัญญะให้สูงขึ้นนั่นเองซึ่งได้แก่การจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์รู้ทางโคจรของกายและของจิตคือการเที่ยวไปของกายและของจิตรู้สิ่งที่เป็นสะะัพเพะคือสบายแก่ผู้ปฏิบัติเองทั้งในด้านเสนาสะนะที่อยู่ทั้งในด้านอาหารทั้งในด้านบุคคล และที่สำคัญก็คือว่าตัวธรรมะได้แก่อารมณ์ที่นํามากําหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสงบและเกิดความรู้เนื่องจากคนเรามีจริตอัตยาสายโดยพื้นฐานในแง่มุมต่างๆแตกต่างกันบ้างมากบ้างน้อยบ้างดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอารมณ์หรือธรรมะที่เป็นเครื่องกําหนดระลึก เพื่อเกิดความสงบและกำหนดพินิจพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติไว้โดยอนเนกประการในส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานทรงจำแนกอารมณ์ไว้ถึง40ประเภทส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานทรงจำแนกไว้ถึง72ประเภทด้วยกันท่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลสามารถเลือกกำหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสบาย น้มน้อมเข้าไปหาความสงบสําหรับบุคคลนั้นตํานองที่พูดกันว่าลางเนื้อชอบล้างยานั่นเองแต่เนื่องจากบางครั้งบางคราวคนก็กําหนดไม่ค่อยจะได้ว่าอะไรเป็นที่สบายแห่งตนหรือเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบจึงมีกรรมฐานที่เป็นกลางๆเอาไว้ได้แก่อนาปานาสติกรรมฐานอนาปานาสติกรรมฐานคือการกําหนดระลึก อยู่ที่ลมหายใจข้าวออกนั้นโดยพื้นของกรรมฐานจริงๆแล้วเหมาะแก่บุคคลที่มีวิตกจริตกับโมหะจริตเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันจริตของบุคคลจะเป็นอย่างไรก็ตามก็มักจะเหนี่ยวนึกไปในเรื่องเหล่านั้นตามพื้นจริตของตนอานาปานาสติกรรมฐานจึงกลายเป็นกรรมฐานสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลจริตทั้งหลาย จึงลยชื่อว่าเป็นกรรมฐานกลางเพราะใครที่มีจริตอย่างไรสามารถที่จะเริ่มที่นาปานสติกรรมฐานได้และในการปฏิบัตินั้นจะต้องมีหลักของสัมปชัญญะที่สำคัญคืออสัมโมหะสัมปชัญญะต้องเป็นต้องเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่หลงคือหมายความว่าปริมาณของสัมปชัญญะปัญญา จะต้องสูงขึ้นรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆภายในจิตใจของตนเพราะว่าขั้นตอนแห่งการปฏิบัติที่บุคคลจะสัมผัสโดยลำดับนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่โดยปกติวิสัยแล้วคนก็ไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่ถ้าหากว่าเกิดความหลงความเข้าใจผิดขึ้นในขั้นตอนแห่งการปฏิบัติก็อาจจะหลงทิศทางได้ เพราะในขณะที่เรามีสมาสติอยู่นั้นอีกภาคหนึ่งมันก็เป็นมิจฉาสติในขณะที่เรามีสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบอยู่นั้นอีกภาคหนึ่งก็เป็นมิจฉาสมาธิอยู่ด้วยดังนั้นจะพบว่าการปฏิบัติทุก ข, ขั้นตอนดาบใดที่ยังไม่เป็นประโสดาบันคือกรจัดตัดความสงสัยได้ดาบนั้นโอกาสที่จะหลงทางก็มีอยู่ได้ง่ายทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ความสงบก็ดีปีติก็ดีและแม้ความสุขก็ดีที่บังเกิดขึ้นจากผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าไม่หลงผิดเข้าใจผิดไปได้ในทุกขั้นตอนทั้งส่วนของสมถะและส่วนของวิปัสสนาและที่ความเชื่อถือต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจนทรงจำแนกออกไปเป็นทิฏฐิถึง62ประเภทนั้นมีอยู่ไม่น้อยกว่า40ประเภท ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นและท่านก็เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของท่านเองแต่ไปติดอยู่ในจุดอับแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ก้าวเดินต่อไปในที่สุดก็สมมติเข้าใจปักใจลงไปว่านี้คือความถูกต้องดีงามไม่มีสิ่งอื่นอีกแล้วและท่านก็ยึดติดอยู่ในทิฏฐิคือความคิดความเห็นเหล่านั้น บางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็กลับเป็นไปได้เพราะเมื่อปักใจหนักเข้าความรุนแรงของทิฐิของมานะก็เกิดขึ้นติดตามมาทำให้ไม่ยอมขยับขยื่นจากจุดที่ตนปักใจเอาไว้และแม้ในวิปัสสนากรรมฐานเองซึ่งถือว่าผ่านขั้นตอนไปมากแล้วก็ยังเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลส คือสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาของบุคคลเหล่านั้นเศร้ามองไปดังที่เคยอธิบายมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยวิสุทธิทั้งเจ็ดประการดังนั้นปริมาณของสัมปชัญญะในขั้นตอนแห่งการปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นสัมปชัญญะธรรมดาธรรมด า, รรมดาแต่จะต้องสูงขึ้นโดยอาศัยการเพิ่มพูนตามหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงเอาไว้ส่วนสติมาที่แปลว่าความมีสตินั้น จึงก็หมายความว่าบุคคลจะต้องไม่ปราศจากสติคือไม่ขาดสติถ้าหากว่าธรรมะทั้ง3ประการนี้มีกําลังอยู่ในระดับพอที่จะใช้งานได้โดยเฉพาะคืองานในด้านจิตใจผู้ปฏิบัติก็สามารถพิสูจน์ผลจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของตนได้ดังนี้จะพบหลักความจริงประการหนึ่งอย่างที่ทรงแสดงไว้ในสภาสังวรสูตร คือประสูทธ์ที่ว่าด้วยการละกิเลสละอาสวะในชีวิตประจำวันมีอยู่หลายข้อด้วยกันเจนวะละด้วยการสํารวมระวังซึ่งก็หมายความว่าสติกะสัมประชัญจญะต้องทำงานในลักษณะระลึกรู้กระลึกได้ด้วยรู้ได้ด้วยแยกแยะอารมณ์เหล่านั้นให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าถูกประสงค์ในการปฏิบัติต่างที่เคยกล่าวมาวันก่อนว่า ต้องการขจัดอภิชาและโทมนัตออกไปที่ทรงใช้คําบาลีว่าอภิชาโดมนัตบินยะโลเกียพิชาโดมานัตสั่งคือหมายความว่านําออกซึ่งอภิชาและโทมานัตหรือขจัดอภิชาและโทมนัตหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั่นถ้าไม่เป็นสื่อไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอภิชาและโทมนัต ก็ไม่จำเป็นจะต้องขจัดออกเพราะสิ่งเหล่านั้นก็คือกุศลและธรรมที่กวรน้อม น, นำเข้ามาไว้ภายในจิตใจของตนตากวาสติกระสัมประสัญญะทาหน้าที่ได้รวดเร็วมีกำลังสูงบุคคลก็สามารถสำรวมระวังได้สูงขึ้นเป็นการปิดกั้นกระแสของบาปของอกุศลไม่ให้ด่วงล้ำเข้ามาสู่จิตใจของตนนี่ก็เป็นการละได้ในชั้นหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจาเป็นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามคือมีความตั้งใจจริงพอสมควรมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวพอสมควรไม่ได้อ่อนไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้คิดว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยเป็นต้นการคิดเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่ากำลังของสติสัมปชัญญะและความเพียรอ่อนก้อนนี้เพงดูตัวอย่างง่ายๆเช่นในการพักผ่อนหลับนอนของบุคคล น, นั้นเมื่อตื่นขึ้นมา ก็ต้องระลึกรู้ว่าก็ควรจะลุกขึ้นจากที่นอนแต่ถ้าหากว่าความเพียรแกเกิดอ่อนแก่ไม่หนุนผมไม่เป็นไรรอ ก, ก่อนวันนี้ยังไม่มีงานอะไรนอนพักไปอีกสักระยะหนึ่งเป็นต้นแต่ถ้ากําลังของความเพียรแก่กล้าพอก็ลุกขึ้นได้ถ้าความเพียรอ่อนก็ลุกขึ้นไม่ได้ในการปฏิบัติที่เบื้องสูงขึ้นไปก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมะทั้งสามประการ น, นี้จะต้องหนุนช่วยกันไปโดยลาดับตรงไหนเกิดอ่อนไป การปฏิบัติในช่วงนั้นก็ขาดเป็นห่วงเป็นตอนไปไม่เกิดความสำเร็จตามที่ตนต้องการบางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นจากการละซึ่งก็หมายความว่าสติจะต้องระลึกว่าสิ่งนั้นเป็นโทษที่ไม่อยู่ภายในจิตใจ <c oughs> เช่นวิตตคือความตรึกนึกนก็ตามความคิดความอ่านของบุคคลด้วยในขณะนั้นอารมณ์ถูกกลุ่มด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งสติระลึกว่านี่เป็นกิเลส สัมมัชัญญาก็ตัดสินลงไ ป, ไปเป็นกิเลสก็อาศัยความเพียรพยายามความตั้งใจจริงพองสมควรดังกล่าวก็พยายามที่จะละอารมณ์เหล่านั้นออกไปในกรณีของความประพฤติการกระทําต่างๆในชีวิตประจําวันตาวสติระลึกรู้ทันสติสัมมัชัญญาระลึกรู้ทันต่อเรื่องเหล่านั้นอาศัยความเพียรพยายามในระดับที่พอควบคุมกายวาจาได้ บุคคลก็สามารถละสิ่งที่เป็นอกุศลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนได้เป็นนัดบ้างบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของแรงกระแทกกระทันที่มาจากภายนอกบุคคลก็สามารถที่จะอาศัยหลักของสติสมัมปชัญญะนี่เองพิจารณาเห็นอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นทางเกิดของอภิชาบ้างของโทมนัดบ้าง ทางเกิดของอภิชาคือความอยากได้ใคร่ดีในสิ่งนั้นๆก็ได้แก่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในเรองลงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทมนัตก็คืออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาซึ่งท่านใช้คำว่าอนิถารมถ้าสติระลึกทันปัญญาตัดสินได้มีความเพียรพยายามพอสมควรก็ตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้หรืออดกั้นต่ออารมณ์เหล่านั้นได้ บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของการเพียรพยายามที่จะบรนเทานี่ก็เป็นการจิตวิเคราะห์คือศึกษาสาภาพจิตของตนที่ปรากฏในขณะนั้นๆ้มองดูอาการของจิตที่มีความกระตุ่มมีความเร่าร้อนมีความเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยประการต่างๆที่จริงอันนี้ก็เป็นอาการของจิตตานุปัสนานั่นเองแต่เป็นการกระทาอย่างน อ, นอ่อนๆจึงหมายความว่า ไม่ต้องอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติกรรมฐานอะไรจะนั่งอยู่ที่ไหนจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ตามแต่ถ้ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตของตนในขณะนั้นเห็นว่ามีความขุดมัวเศร้าหมองก็ลองถามใจตัวเองว่าเป็นอะไรจิตใจเศร้าหมองขุดมัวร่าร้อนกระวนกระวายมาจากไหนวิเคราะห์ไปถึงมูลเหตุที่ให้เกิดอารมณ์เหล่านั้น แล้วก็มองดูมันได้ประโยชน์อะไรจากใจที่เศร้ามองอย่างนั้นก็เห็นได้ว่าไม่มีประโยชน์ในที่สุดตัวสติสมัมปชัญญะที่มีกำลังพอก็จะเข้าไปตัดอารมณ์หลอนนั้นได้ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามแนวดังกล่าวนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบหรือต้องนั่งทําเป็นพิธีรีตองอะไรแต่ถ้าแรงของสติสมัมปชัญญะความเพียรแกมีกาลังพอก็ปฏิบัติไปได้ตัดสินไปได้ โดยอาศัยความระลึกรู้ทันอารมณ์นั้นๆที่บางเกิดขึ้นแล้วก็แยกแยะอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้อย่างชัดเจนถูกต้องสามารถที่จะอดกลั้นสามารถที่จะบรรเทาสามารถที่จะละวางอารมณ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดอภิชาและโทมนัตได้การนำออกซึ่งอภิชาและโทมนัตอีกชั้นหนึ่งซึ่งถือว่า ต้องอาศัยการปฏิบัติที่มีระบบแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันพอสมควรด้แก่การปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานนสูตรเองจะมีทั้งวิปัสสนาและจะมีทั้งสมถะและวิปัสสนาคือจะเริ่มที่สมถะก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นวิปัสสนา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งก็จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาเองอารมณ์ที่เรียกว่าอาภิชานั้นก็เน้นไปที่กิเลสสายโลภะเป็นอาการความรุนแรงกิเลสสายนี้จะพบว่าก็เรียกแตกต่างกันออกไปบางครั้งเรียกว่าราคะแปลความกำหนัดเรียกว่าโลภะปลความอยากได้เรียกว่าอิจฉาความปรารถนา แต่ในที่นี้เรียกว่าอภิชาแปลว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้ซึ่งหมายถึงว่าความอยากได้ในอารมณ์เหล่านั้นรุนแรงจนถึงก็แสดงออกมาทางประสาทสัมผัสส่วนอื่นเช่นอยากฟังก็เงี้ยวหูฟังอยากดูก็เพ่งจ้องดูในสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เป็นปัใจจัยให้เกิดอภิชาโทมนัตดังกล่าวซึ่งบุคคลผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของ กิเลสประเภทนี้ในลักษณะที่ไม่สามารถจะตอบสนองให้เต็มได้ตามความต้องการของตนเพราะว่ากิเลสประเภทนี้เหมือนไฟที่ไม่รู้จักอิ่มเชือ้อเหมือนหมาสมุทรที่ไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำใจที่ใจของบุคคลที่ประกอบด้วยอภิชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะไม่มีคาว่าเต็มคาว่าอิ่มคำว่าพอแต่ประการใดดังที่ทรงแสดงลักษณะของโลกเอาไว้ว่า โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาและการตตกเป็นธาตุแห่งตันหานั้นก็ดูได้วิเคราะห์ได้ว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลก่อให้เกิดเป็นภัยก่อการประหัตประหารกันจนถึงกับแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นเพราะมุ่งมา่ปรารถนาในเรื่องเดียวกันในสิ่งเดียวกันบางครั้งความเป็นมิตรก็กลายเป็นศัตรูความญาติความเป็นญาติพี่น้องก็กลายเป็นแตกหักกันเป็นต้น ซึ่งเป็นโทษบาปที่บุคคลสามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันของตนนี่ก็ด้วยอาศัยการพินิพจนาให้เห็นโทษเสียก่อนเพราะตามปกติแล้วการปฏิบัติของบุคคลนั้นถ้ามองไม่เห็นโทษไม่เห็นคุณคือไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษไม่เห็นคุณโดยความเป็นคุณสิ่งอะไรเป็นคุณก็ใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นเป็นคุณ ความพอใจความเพียรพยายามที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นภายในใจใจก็จะเดินไปตามขบวนการของอิทธิบาททั้ง4ประการได้ในสิ่งที่เป็นโทษก็เหมือนกันสรงใช้คำว่าสิ่งเห็นโทษโดยความเป็นโทษคือหมายความมาใล้ๆกับสิ่งนั้นเป็นยาพิษเป็นไฟก็เห็นว่าเป็นยาพิษเป็นไฟที่จะเกี่ยวข้องด้วยอย่างระมัดระวังหรือบางอย่างก็ไม่เกี่ยวข้องไปเลย ต้องให้เข้าประจักษ์แก่ใจคือเข้าถึงใจเห็นโทษเหล่านั้นประจักษ์แก่ใจแล้วในที่สุดก็จะรู้สึกขยะแขยงหวาดกลัวอย่างที่ทรงอุปมาให้เห็นในบางครั้งว่าให้มองเหมือนอสรพิษบ้างเหมือนสัตว์ ร, ร้ายบ้างเหมือนไฟไหม้บ้างเป็นต้นเพื่อให้มองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมว่าการเกี่ยวข้องกับอสรพิษก็ดีกับสัตว์ ร, ร้ายก็ดีหรือกับไฟที่ลุกลามาก็ดีนั้นต้นแล้วแต่ก่อให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเอง หรือการที่สรงอุปมาให้เห็นในนิวรข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นกิเลสสายเดียวกันพอเหมือนกับการที่บุคคลตกเป็นหนี้เป็นศินของบุคคลอื่นซึ่งความรู้สึกของคนที่เป็นหนี้เป็นศินและเคยเป็นหนี้เป็นศินมาแล้วจะรู้ได้เป็นอย่างดีว่าการเป็นหนี้เป็นศินบุคคลอื่นนั้นมีแต่ความทุกข์ความมีตกกังวลความหวาดระแวงแล้วก็สูญเสียความมั่นใจของตัวเองเป็นต้น กิเลสประเภทนี้มีโทษโดยอเนกกระปรยายถึงแม้ว่าในแง่ของการดารงชีวิตสาหรับสามั ญ, ญชนทั่วไปความรุนแรงจากกิเลสสายนี้จะน้อยแต่เป็นกิเลส ท, ที่มีแรงเหนียวจัดมากคือละได้ยากมากเมื่อมองเห็นโทษโดยนายานีแล้วเอ่ความกตือร้รนที่จะละในส่วนที่เป็นเชื้อขอ ง, ข อ, ง, ข อ, ง, ข อ, งอภิชา ก็จะบังเกิดขึ้นในส่วนที่จะสร้างสมกุศลความดีที่จะบรรเทากระแสะความรุนแรงของกิเลสสายนี้ก็เกิดขึ้นติดตามมาโทมานัตในที่ทั่วไปนั้นก็แปลเป็นอาการของความทุกข์ทางใจซึ่งท่านที่สวดมนต์ในบทว่าชาติปีดุขาจาราปีดุขาเป็นต้นมาก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ในที่นี้ไม่ได้ส่งหมายถึงทุกเพียงอย่างเดียว แต่ทงหมายถึงกิเลสประเภทสายโทสะคือสายที่เราไม่พอใจไม่ต้องการไม่ปรารถนาก็าคือแนวพวกวิภวะตัณหาในตัณหาทั้งสามประการนั่นเองกิเลสประเภทนี้จะมีความรุนแรงจัดเมื่อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วจะมีความเร่าร้อนกระวนกระวายเหมือนกับถูกเสียดแทง้วยโรคภยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็เป็นตัวจับเป็นตัวทำลาย จ, จิตใจของบุคคลให้สูญเสียคุณลักษณะสูญเสียความดีไปด้วยประการต่างๆเวลาแก่เกิดขึ้นรุนแรงแม้แต่จะพูดจะทําก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมีความรุนแรงปรากฏอยู่ในช่วงของความคิดทุกขั้นตอนแห่งการพูดการทําและแม้แต่ความคิดการมองเห็นโทษของผู้โทมนัสคือกิเลสสายพยาบาทได้เช่นนี้แล้วในที่สุดบุคคลก็จะ เพิ่มพูนเครื่องไม้เครื่องมือคือสติสัมปชัญญะและความเพียรในการที่จะละที่จะบรรเทาอารมณ์เหล่านั้นนั่นก็คืออะไรก็คือการดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองตามหลักที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัสรุว่าเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรุ ดำรงตนอยู่ด้วยมีด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปคือมีความตั้งใจแนวแ น, แน่เด็ดเดี่ยวในการที่จะละสิ่งที่ควรละในการที่จะปฏะพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏริบัติเพื่อบรรลุผลที่ส่งประสงค์ให้ได้สติสัมปชัญญะหรือสัมปชา n a กสติมาและความเพียรที่บุคคลลงมือปฏิบัติจนแต่และข้ออิงอาศัยกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้นั้น ก็ทําให้ช่วงหนึ่งก็คืออยู่ด้วยความไม่ประมาทสามารถระมัดระวังอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ยังไม่เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วจะเพิ่มเชื้อของกิเลสทั้งสองฝ่ายนั้นแรงของสติกับสัมปชัญญะและความเพียรที่บังเกิดขึ้นภายในใจถึงจุดหนึ่งก็จะรวมตัวกันเป็นความไม่ประมาทซึ่งในชั้นนี้ก็ทรงจําแนกไว้สาม ใบสี่ประการด้วยกันคือความไม่ประมาทการระมัดระวังใจระมัดระวังใจของตนไม่ให้เกิดความกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดซึ่งหมายความว่าถ้ากำหนัดถ้ายินดีถ้าเพลิดเพลินเรงหลงไปก็ไปเพิ่มเชื้อของอภิชาดังที่กล่าวมาแล้วก็จะเกิดเป็นความไม่ประมาท ร, รู้จักระมัดระวังใจความไม่ประมาทนี้ก็คือ ความมีสตินั่นเองระวังใจของตนไม่ขัดเคืองครับแค้นไม่พอใจไม่ยินดีในอารมณ์อะไรก็ตามซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองในกรณีนี้อาจจะอาศัยคติอาจจะอาศัยการให้อาภายัยอาจจะอาศัยเมตตาเป็นต้นตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นระวังใจไม่รุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มลง จึงจะเห็นได้ว่านั่นก็คืออาการของสติสัมปชัญญะหรือตัวสัมปชัญญะข้อที่สี่ที่ว่ามาแล้วคือสำมโมหะสัมปชัญญะได้เกิดความรู้โดยไม่หลงสามารถกระจัดความหลงผิดความเข้าใจผิดออกไปได้ซึ่งในชั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีของอะไรเพราะว่าตัวความหลงเองก็เป็นตัวสําคัญเป็นรากง่าวของกิเลสทั้งมวลเพราะอาการของอวิชชาที่เด่นชัดอยู่ในความหลง เมื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปแรงกล้าพอสมควรก็จะสามารถระมัดระวังใจไม่หลงในอารมณ์เหล่านั้นได้และวในที่สุดก็กลายเป็นความไม่ประมาทอีกครั้งหนึ่งคือปริมาณของความไม่ประมาทนั่นเองจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นไม่ประมาทมวัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมวัวเมาซึงการปฏิบัติของบุคคลที่มาถึงช่วงนี้มาถึงขั้นนี้ จะมองการเวลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและพยายามฉกฉวยการเวลาที่มาถึงเข้าปิดกั้นกระแสของอารมณ์ที่จะเป็นเชื้อเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสประเภทดังกล่าวแล้วและพยายามที่จะหาความรู้ความเข้าใจถึงสาภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์นั้นๆ หมายความว่าอารมณ์อะไรที่ทําใจสงบได้ก็ทําให้สงบเสในขณะนั้นอารมณ์อะไรที่ควรจะใช้ปัญญาขบเจาะแทงตลอดในอารมณ์เหล่านั้นก็ใช้ปัญญาให้ปรากฏชัดในขณะนั้นๆจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเพิ่มปริมาณของความไม่ไม่ประมาทให้สูงขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวสติสมัมปชัญญะเองก็สูงขึ้น ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในเชิงที่หนุนกันอย่างนี้พึงดูตัวอย่างซึ่งอาจจะพูดถึงอะไรคือน้ําทะเลแกนุนขึ้นมาข้างบนเมื่อน้ําทะเลหนุนก็ทําให้น้ําในแม่น้ําเกิดเต็มฝั่งขึ้นเมื่อแม่น้ําเต็มฝั่งแม่น้ําในลําคลองก็เต็มน้ำนองคลองก็เต็มพวกคลองเล็กๆซอกซอยต่างๆก็จะพลอยเต็มตามขึ้นไปนี่เริ่มมาจากน้ําทะเลแกหนุน การปฏิบัติธรรมมีลักษณะเกือ้อกูลกันโดยวิธีนั้นเมื่อธรรมะข้อหนึ่งเกิดขึ้นธรรมะข้ออื่นในกลุ่มเดียวกันก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาเพราะการปฏิบัติเท่านั้นความไม่ประมาทแม้ในจุดที่พูดถึงเรื่องเดียวกันดังกล่าวแล้วแต่ถ้าหากว่าปริมาณของสติสัมปชัญญะและความเพียรกสูงขึ้นปริมาณของความไม่ประมาทในจุดนั้นเองก็จะสูงขึ้น คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็จะตกไปจากจิตโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นจะต้องไปพินิษฐพิเคราะห์อะไรเพราะว่าใจในสมัยนั้นมีกำลังของธรรมะสูงมากพอแล้วพออารมณ์เกิดขึ้นก็ตกไปในทันทีทันใดถ้าเป็นปัจจัยให้เกิดอภิชาและโทมนัสดังกล่าวคนนี้บพงดูตัวอย่างที่ทรงแสดงไวในโลกธรรมสูตร ว่าแท้จริงแล้วโล ก, กธรรมคือความมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศความสรรเสริญนินทาแล้วสุขทุกข์นั้นเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ได้เลือกชาติชั้นวรณะแต่ประการใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระหว่างปุถุชนกับพระรีเจ้าก็เกิดขึ้นเหมือนกันไม่ได้มีใครแตกต่างกันแต่ข้อแตกต่างนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจของท่านเหล่านั้นเวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์ กับโลกธรรมทั้ง8ประการคือพระอริยเจ้าพอโลกธรรมบังเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะที่มีกำลังสูงนั้นจะรู้ในทันทีเพราะโลกธรรมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่โลกธรรทนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรเกิดก็เกิดดับก็ดั บ, ด บ, ดบก็ท่านั้นเองแต่สมปูตุชนผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ปฏิบัติตามธรรมของพระอริย เมื่อโลกกระทำบังเกิดขึ้นก็ไปกําหนดว่าสิ่งนี้น่าปรารถนาสิ่งนี้ไม่น่าปรารถนาพอสิ่งที่น่าปรารถนาบังเกิดขึ้นคือใจก็ตนลงไปกําหนดว่าน่าปรารถนาบังเกิดขึ้นก็จะจะกําหนัดเพลิดเพลินเริงหลงในส่วนนั้นและบริสุทธที่น่าปรารถนานี้เองจะเสื่อมไปก็เกิดเป็นโทมนัสเกิดความขับแค้นเกิดความเสียใจยขึ้นมาก็สรุปว่าทั้งสองฝ่ายนั้นฝ่ายหนึ่งก็เพิ่มอภิชา อีกฝ่ายหนึ่งก็เพิ่มโทมนัสพอส่วนที่ไม่น่าปรารถนาแก่เกิดขึ้นเริ่มมาถึงก็เป็นโทมนัสก่อนคือไม่พอใจขัดเคืองไม่ปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหายไปก็เกิดเป็นอภิชาคือชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้ก็เพิ่มกิเลสเหมือนกันคือก็เพิ่มกลับไปกลับมาถ้าน่าปรารถนาเพิ่มอภิชาก่อนพอเสื่อมไปเป็นโทมนัสส่วนที่น่าไม่น่าปรารถนาเพิ่มอัป เพิ่มโทมานัสก่อนพอเสื่อมไปเป็นอภิชาก็หมุนวนกันอยู่ระหว่างกิเลส ต, ต่านี้เพระาะอะไรเพราะปริมาณของสติสัมปชัญญะและความเพียร น, นั้นมีกระบังอ่อนไม่สามารถจะลึกรู้และกระตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้ใจยังไม่ได้เป็นอัตโนมัติสมับอารมณ์เช่นนั้นแต่พระเดียเจ้ามีลักษณะดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านจึงไม่ฟุบลงและฟูขึ้นตามอานาจของอารมณ์ อ, อารมณ์จะชาวโลกจะกำหนดว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามแต่ในความรู้สึกของท่านแล้วก็คืออารมณ์คือรูปคือเวทนาสัญญาตัาวิญญาณเท่านั้นเองซึ่งผลที่เกิดขึ้นมาได้เช่นนี้ก็คือกำลังของสติสัมปชัญญะและความเพียรที่เป็นไปแก่กล้านั้นเองไปสร้างสภาพจิตของท่านจนกลายเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจและก็มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้นทางประสาสัมผัสเช่นเดียวกับคนอื่นได้โดยอัตโนมัติตามระยะที่ได้กล่าวมาแล้วต่อต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป